เดีอย่างนี้เดี๋ยว่ามันมีอะไรนี่มไม่ไปเลยอของธรรมชาติทางนั้นโวกเราจริงๆมีดวงจินโดวงเดียวที่ได้มามาสิบปีโยนคือทุกสิ่งอย่างมันอยู่ในโลกที่อยู่แล้วอยู่ในในนีอยู่แล้วคือผู้ที่สร้างสร้างธรรมชาติสร้างธรรมชาติและขู่พินทุกอย่างมันเกิดธรรมชาติทางนั้นคือวรามันมีหน้าที่ดูอย่างเดียวหนึ่งมันจะเป็นของเราเราไม่คิดเลยเป็นของเราจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก็าแทแดงออกเนี่ยเขาแทแดงออกตามน้เขาแท้แดงออกนั้นท huh? ja. ํามันก like ็าแทแดงอยู่แทแดงร่างกายข้าเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ไมเรื่องของเราเออทำไห้เหนื่ยอย่างงู้นก็ไม่ใช่ของเราทาให้ท้ายทาให้เออทุกทุกอย่างเลยไม่จะเป็นของเราทอยางที่น่าที่ดูอย่างเดียวว่าดูแล้วไฟไหวตรงนี้เราเกิดมาไี่เชื่อว่าเรามาดูได้มาจะได้รู้แล้ว เนี่ยแล่แล่ดรู้แล่ดูรู้แต่ยังอย่างเดียวหน้าที่แล่แล่รู้แล่ดูรู้โตแลแล่รู้ล้มันมัดมัดทุกเลยเราม่ทุกเลยเราแล่แล่ดูรู้เลยดูรมันไม่ทุกเลยสิมันไมทุกไม่เอาอะไรเลยไงไม่เอาอะไรแล่ปอแลเลยแล่ดูรู้แล่ดูรู้อย่างเดียวเองนี่แลคือเราพยายามว่าเออเราก็เกิดในโลกนี้ทนไปก่อนทนไปก่อนดูไปก่อนแลไปก่อนต่อไปแล้วเราจะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเยันจบแล้ว เออเราไปเอาแล้วเนี้อย่างนี้คือเราจบไปในป่านแล้วเอาแล้วเรียนแล้วเรียแล้วรู้แล้วมั่นไจเลยเนี่ยเอาไม่อาว่าไคิดเราไม่เอาเรามาคิดแล้วไม่ต้องคิดจะรู้เองรู้เองมันต้องคิดมันคิดแล้วองมันเช่ถ้าเราคิดคิดเรื่องล้กับคิดประโยชน์มันเองประโยกน์ความคิดเองแต่เราไม่คิดอยู่ไม่อยกับมันเราพู้เลยมั่นใจเรา แต่ไม่ใชเราไต้องอยู่กับมันดิเออถ้าเีกว่าของเราต้องอยู่กับมันร่างกายองเราต้องอยู่ร่างกายอยู่กับเราต้องอยู่กับอยู่กับร่างกายดินี่ม่ใช่องเราเราไม่อยู่เราไม่เอาแล้วนี่ยหรอเห็นทุกเราทุกทุกไม่เอาแล้วทุกไม่ใช่เรารมเแล้วออกจากทุกเลยนี่นี้ ถ้าเราไปึกว่าของเราของเราตกเขาจำไม่มดทุกเลยว่างว่างเลยไม่อะไรเลยเราไม่เอาทุกิ่ทอย่างเราไม่เอาเลยแล้วหน้าดูไงหน้าีเดี๋ยวต้องแล่เรารูลนนั่งนั่งแลรูยิ้มไปเลยยิ้มไปเลยนี้เอารูแล่รูลเว้ยอย่ามาหลอกเราอย่ามาหลอกเรรูเล่ทุกปอย่างอย่างน้อยอยู่อย่างนี้ก็มีผู้หญิงมาสวยๆมามามาหลอกลวงมันน้เออ โอ้ชั้นโอ้ชั้นโอ้ชั้นพี่เอ๊ะมาโลกอีกนั่นไม่ใช่โรกแล้วเราไม่ไปเลยไม่เหนื่ยฝ่าเราไปเหนื่ยฝ่าเราไปเหนยเราไม่ไปแล้วนั่นคืแล้วเราไม่หลงคืองไม่ยุ่งกับอ่าโลกแล้วนี่เป็นสมบัติของโลกอย่างนั้นของธรรมชาติอยางนั้นสิอย่างนี้หละเอ๊ะอย่างนี้ต่อเราด้วยอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากจบมากกวอย่างนี้แล้วเราได้แล้วรู้แล้วรู้ไั่เราต้องมาตัวแล้ว นี่คือมอเดียวเนอองค์ธรรมขุนเจ้าคือใจพุทธะมิเละใจมิเละเราอะไรแลวอย่างนี้อาจารย์อย่างนี้เลมันมีอะไรเลยคุพอมองดูแลอยู่แล้วทุกวันเลยคิดทุกวันเลยร่างกายกูคือมันกำลังแท้เดงอยู่อย่างนี้อาจารย์ไม่แทเดงไม่ไม่แท้เด้งเลยนเหมือนตัวแเด้มากนี้รม่แเดงเลยก็มันไม่ด้ดงอะไรเราไม่อยากอะไรเลวมันยดเองยืถ้าราคิดร่างกายมันไม่ยืดเลยเออั้งนั้นอย่างนี้รากายมตืนเลย รู้นั่นตายมัรู้มือเจอย่างนี้ที่เราอย่างนั้นยี่ไปนู้ไปนี่เนยอยากนั่งดูมันมันไปให้เองถ้าเราตามตามใคกับร่างกายเราเป็นตู้เราไม่ต้องดับใจเลยถ้าเราไม่จำใจมันทำเองเลยนเเองเราไป่โดนมันไม่มาโนเราไม่ไปรู้หรือไม่ไปแล้วมันดับไปเองมันดับไปเองเลยมันจะเหมือนกันต้องคิดเราอย่างนั้นอย่างนี้คิดเราอะไรเราถ้าเราไม่ไปกับมันแต่มันยิ่เองมันดับไปเองมาเลยมันใจเราเราดูให้หน้ามัน เราดูมันจะให้แนออยู่ท่าบ้นอนท่าบ้ายนั่งท่าบ้านพบมันไม่เตือนโราเลยมันเราไม่ไปกับมันเลยเออย่างนี้คือทุกจริงทุกอย่างมังต้องดับไปหมดเลยคือร่างกายมันมีวิญญาณนะครับมีมีวิญญาณร่างกายตา้าถ้งเรื่องสองตาหูเรืองหูอย่างนี้เออนี่พอต่อยตานีลมันดับเหมือนกาหตายไปเหมือนกาเหินมัพดับที่านเหมือนกันร่างกายไ่านหมดเลยไปหมดเลยนี่เลย หรือจิตกับไปยังนึงต่ตาไปยังหนึ่งหูไปยังหนึ่งไปกันหมดเลยนี่คือไปคุณล่าทางของทําไปของโมแตสเดี๋ยวนี้มารวมกันมารวมกันดูกันช่วยกันเลยเราอย่าเป็นหลงอยาง่าลงมนําำให้เราพิจาราเราคิตเป็นหลักเรไม่ปล่อยจะทางที่จิตเราไม่ปล่อยเออนี่เราที่เป็นชื่อเรื่อกาก็เป็นมิตรของเราอยู่แล้วเออนี่ร่างกายกับจิตสองอย่างนี้ถ้ารู้เรารู้จากร่างกายแล้วนี่แหละ รู้จัดร่างกายให้ร่างกายเป็อย่างนั้นอย่างนั้นถ้านำไปอย่างที่คิดเราไม่คอยคิดไม่ใช่คิดรู้รู้คิดรูหน้าคือผู้นำเอาให้ร่างกายแอนนั่งจิตนำนำร่างกายให้มาหาจิตอย่างนี้แหละเราจกยาวไปอยู่ร่างกายเรายาวไปอยู่กับกรรมตาไปอยู่กับความคิดยาวไปอยู่ความนย่างอย่างนี้นแหละเออเราจะหน้าทุกอย่างทุกอย่างทุอย่างแล้วในไหมนี่ทุกอย่ทางเป็นของธรรมชาติอย่างนั้นเราไม่เอ้แล้วธรรมชาตินั่นคือ ทงให้โทังให้คอย่างนี้้ถ้าเราอย่าไปตามมันอย่าไปตามมันจะโอมันอย่างนี้เรามาติ่ตัวยาวมากตัวยาวมาเรตัวยาวนีะครับีเรายมาหงกับอปัตของโลกุของมนุษย์เองตรงนี้อย่างนี้มันจะเรยเป็นของมเอาอะไรลอย่างนี้มันจะเร่ยจะาได้เลยอย่างนี้เลยหลวงที่อย่างนั้นแลับเราเแล้วเร่งบนั้นอาจารย์